ทานทำบุญสายบาหรือให้ให้ให้ทานไปนะศีลให้พ่อให้แม่เป็นต้นที่ที่ที่เป็นเรามีกิจที่จะต้องให้อยู่แล้วเป็นหน้าที่ของเราอันนั้นก็เป็นกุศลศีลใช่ไหมถ้าเป็นภาวนาก็เจะโดยหาราเรปฏิกูลสัญญาเป็นต้นไปนี่นะก็เป็นภาวนาแต่ไม่เข้าเลยแหมมันราคาเท่าไหร่นะหรือโดยมากโลภมันไม่อร่อยเลยก็โทสะ แต่ว่าไม่ได้ฉลาดอะไรอยู่เลยก็โมหะเพราะฉะนั้นถ้าอากุศลทั้งสิบสองเนี่ยนะครบกรร ม, มบทไอ้แกงถ้วยนี้แหละคือประตูาบายนรกอยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นแะไม่ได้อยู่ที่อนนื่นนะถ้าประตูนะประตูนะไม่ใช่ตัวนรกนะประตูนรกอยู่แถวนั้นนะ ก็คนอื่นก็มาต้มใกล้ๆบ้านดูเหอะอะไรจะกว้างขวางขนาดนั้นพอยุคนี้ไม่ใช่ยุคให้ปันแล้วก็ยุคปัดประมาณนั้น แล้วก็อเหตุตุกะกิริยาเอก3นะอเหตุตุกะกิริยานั้น3ขึ้นต้นด้วย 1. ปัญจทวาราวัชนะ 2. มโนทวาราวัชนะแล้วก็หาสิตุ ป, ปาทจิตปัญจ ปัญจก็แปลว่าห้าทวารก็แปลว่าประตูเนี่ยนะอาวัชนะแปลว่าคำหนึ่งก็ได้คร้ครวนก็ได้คิดถึงก็ได้แล้วแต่จะแปลโดยทั่วไปก็ว่าจิตที่รำพึงโดยมากก็จะแปลว่ารำพึงคำหนึ่งคิดถึงอะไรก็แปลเพื่อ จิตที่รำพึงในประตูทั้งห้าก็ได้แต่เขาจะนิยมแปลทับศัพท์ว่าปัญจทวาราวชนะจิตานะถามว่ามันรำพึงทวารทั้งห้ายังไงปกตินะชีวิตของเราเนี่ยทวารห้ามันก็ตั้งอยู่ของมันอยู่แล้วใช่ไหมคือทวารห้าทวารห้าก็ต้องคู่กับอารมห้าทวารห้ามีอยู่อารมห้ามีอยู่ แต่วิญญาณหวิญญาณ5ที่เรียกว่าทวิปัญจะเนี่ยนะทวิปัญจวิญญาณในจิต10เนี่ยทวิปัญจ ะ, ญญจญจะแล้วมาใส่คำว่า10นะทวิแปลว่า2ปัญจะแปลว่า5แต่เป็นสังขยาเขาเรียกว่าคูนสังขยาคูณคูณสังขยาการนับแบบคูณก็เลยเรียกว่า10 วิญญาณเหล่านี้จะเกิดหรือไม่อยู่ที่อาวชนะอันนี้เนี่ยนะเช่นตามีอยู่นะเช่นตาของธรรมานี่มีอยู่มองไปทางนี้มีอยู่แสงสว่างมีอยู่จะเห็นคุณวิลาวันหรือไม่อยู่ที่ว่ารำพึงหรือเปล่าเนี่ยนะอยู่ที่มณสิการหรือเปล่าหรือว่าอาวชนะตัวเนี้ยนะไอ้ทวารตาเนะี่ยถ้าทวารหูเนี่ยหูมีอยู่เสียงรถมีอยู่ จะได้ยินหรือไม่ได้ยินอยู่ที่การรำพึงถึงอนะันนั้ารสมมุติว่าถาวรจมูกเนี่ยนะกลิ่นมีอยู่จมูกมีอยู่จะรู้กลิ่นหรือไม่รู้อยู่ที่การรำพึงถึงในลิ้นของเรานะีน้าลายก็ถือว่าเป็นรสชนิดหนึ่งเหมือนกันเราจะรู้รสอันนั้นหรือไม่รู้อยู่ที่ว่ารำพึงหรือไม่อย่างทางตั้งแต่กายถึงเท้านะตั้งแต่ศรีรษะจรดเท้านะมันจะมีที่ตั้งของอที่เรียกว่าเย็นร้อนหนอนแข็งหย่อนตึงอะไรเนี่ยมีอยู่หมด ถ้ารำพึงก็รู้แม้กระทั่งที่ปลายเท้าถ้ารำพึงเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นตัวที่รำพึงอย่างนี้เรียกว่าปัญจทวารวชนะนี่นะปัญจทวาราวัชน ะ, นะะา ร, าชนะรำพึงที่จะให้รู้วิญญาณทั้งห้าชื่อเต็มเขาเรียกว่า ม, มนโนธาตุนี่นะมนโนธาตุเป็นปัจจัยแก่ทวิปัญจวิญญาณทั้งห้าเนี่นะเาเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจิต ถ้าเรียกตามทวารเลยถ้าปัญจทวารวัชนะอันนี้เกิดทางทวารตามีชื่อเต็มว่าจักขุทวารวัชนะจิตถ้าเกิดทางทวารหูเรียกว่าโสตทวารวัชนจิตก็เรียกตามทวารไปนะถ้าเกิดทวารจมูกเรียกว่าคานะทวารวัชนจิตถ้าเกิดทวารลิ้นเรียกว่าชิวหาทวารวัชนะจิตถ้าเกิดทวารกายเรียกว่ากายะทวารวัชนาจิตแต่ทีนี้เรียกรวมเลยว่าห้าเลยนะ ปัญจทวาราวชนาจิตเนี่ยนะพอสวดคําว่าใครที่ฟังฟังธาตุสิเนี่ยนะมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุนี้มีอยู่สองตำแหน่งด้วยกันมโนธาตุเนี่ยคือเกิดก่อนวิญญาณห้าอย่างหนึ่งกับเกิดหลังวิญญาณห นนะตัวสัมปติชนะจิตเนี่ยนะตัวนี้เรียกว่าสัมปติชนจิตสัมปติชนจิตอีกชื่อหนึ่งว่ามนโนธาตุเพราะนั้นคําว่ามนโนธาตุคือจิตที่เกิดก่อนปัญจวิญญาณและเกิดหลังปัญจวิญญาณเรียกว่ามนโนธาตุเนนะอ่าคนลชาติการถ้าเกิดก่อนเป็นชาติกิริยาถ้าเกิดหลังเป็นชาติวิบาก นะแต่ทั้งคู่เป็นมโนธาตุแปลว่าธาตุรู้เท่านั้นเองอ น, นะธาตุรู้มโนโนี้แปลว่ารู้ธาตุนีแปลว่าสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะแปลว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนันมโนธาตุเขาเรียกว่ารู้อย่างหนึ่งนะรู้ก่อนทวิปัญจะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็รู้ก่อนมโนวิญญาณอีกอย่างหนึ่งมโนวิญญาณอันนี้ที่ชื่อว่าสัมปติฉันะ เพะน้นเวลาใครいいสาธยายว่านะที่จริงธรรมะเหล่านี้นะท่าสาธยายธาตุบ่อยๆนะธาตุสิปดน่าจะเข้าใจชัดขึ้นวิธีสาธยายธาตุสิปง่ายถ้าจําทวารจำอารมณ์จาวิญญาณได้นะเท่ากับจาได้เกือบหมดแล้วเช่นจักขู่ธาตุคือตานะรูปธาตุคือสีเกิดจักขูวิญญาณธาตุนิ้ทวารตาได้สาแล้วนะโสตธาตุ สัทธาตุคือเสียงเกิดโสตวิญญาณธาตุคานาธาตุคือจมูกกับคันธาตุคือกลิ่นเกิดชิวหาวิญญาณธาตุชิวหาธาตุระสธาตุเกิดชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพะธาตุเกิดกายวิญญาณธาตุเนี่ยนะมโนธาตุคือธาตุที่เกิดก่อนปัญจวิญญาณและหลังปัญจวิญญาณนั่นเรียกว่ามโนธาตุเจตสิกที่เหลือในนี้เรียกว่า ธรรมธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุนะชาวนะหลังจากนั้นมาจะเป็นมโนวิญญาณธาตุทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นธาตุสิปดก็น่าสาธยายเนี่ยนะสาธยายหรือตรึกหรือมาพิจรารณาบ่อยๆก็ได้จำธรรมะอะไรไม่ได้ก็จําธาตุมาท่องมาสาธยายก็ได้จะเห็นถึงเห็นถึงอะไรเห็นถึงสภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นธาตุคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นต้นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ จริงแต่ความจริงอันนี้มีใครอยู่ในนั้นไหมว่างจากใครและว่างจากของใครแต่ว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วพอไหมพอหรือยังถ้าแยกแยะเป็นธาตุได้หมดเลยอันนี้ถือว่าเป็นขั้นที่หนึ่งในบรรดาขั้นทั้งหมดแล้วก็ต่อไปว่าธาตุทั้งห้ามาจากปัจจัยไหนอารมณ์ธาตุที่เป็นอารมณ์มาจากไหนธาตุเหล่านี้มาจากปัจจัยอะไรก็วิเคราะห์ปัจจัยไป แล้วก็คูณการ3มว่าปัจจุบันเนี่ยนะท่าเหล่านี้เกิดจากปัจจัยอดีตก็เกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากปัจจัยนี่นะแต่ก็ขันเหล่านี้ก็เป็นไปตามปัจจัยของมันท่าเหล่านี้เช่นจะครูท่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะก็มาใคร่ครวนเพื่อที่จะนะไข่ค ร, ครวโดวยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกแป่หน้าตาทั้งหมดเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในท่าทั้งมวลเหล่านี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งกองทุกได้นี่นะ วิญญาณห้าเลจักรูวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุคานาวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุเรว่าวิญญาณธาตุหเนี่ยนะใครที่มาเรียนธรรมะกับผู้การเมื่อก่อนเนี่ยผู้การจะพูดถึงวิญญาณธาตุเนี่ยนะวิญญาณธาตุเใช่ไหมคือจักรูโสตคานาเชิวหากายาวิญญาณธาตุมโนทาตุมโนวิญญาณธาตุนะผู้การก็จะมักแนะนําแบบนี้เอามาเคยได้ยิน ใครที่ติดตามผู้การมาตลอดก็จะได้ยินเนอ้าไม่ได้ผิดอะไรจะไปลืมทำอะไรทำสอนอยู่แล้วทีนี้อาเหตุตุกะกิริยานเนี่ยนะมันมีอยู่อีกสองตัวที่คือมโนทวารวัชนะ มโนบวกทวารบวกอวชนาะเนี่ยนะมโนก็แปลว่าใจใช่ไหมทวารก็ประตูทประตูทางใจเหรอไประตูทางใจอาวชนะก็คือการรำพึงทีนี้ถ้ากล่าวโดยกิจนี่มีสองคือโวทัพนกิจอันนะโวทัพนกิจอย่างหนึ่งกับอาวชนากิจ ตัวสองอย่างนี้ถ้าเรียนปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีมาก็ไม่ยากเนนะถ้าในมโนทวารวิถีนะจะขึ้นด้วยภวังมโนทวาราวัชนะแล้วก็ต่อด้วยชวนะเลยตัวนี้ลถ้าปัญจทวารวิถีก็จะต่อด้วยทวิปัญจเหนะ็มสามปฏิชนะสันติระนะโวทพนะแล้วต่อด้วยชาวนะ ก็คือตัวนี้เนี่ยนะถ้ากล่าวตามตัวนี้เรียกชื่อตรงๆว่ามโนทวารวัชนะถ้าในมโนทวารวิถีเนี่ยเรียกตรงๆว่ามโนทวาราวัชนะถ้าเกิดในปัญจทวารวิถีเรียกว่าโวทัพพนะเนี่ยนะก็ก็กล่าวตามกิจสรุปอีกครั้งหนึ่งว่ามโนทวาราวัชนะถ้าเกิดในมโนทวารวิถีเรียกว่ามโนทวารวชนะถ้าเกิดในปัญจทวารวิถีเรียกว่า วัฏพนธเนี่ยนะก็ต่างกันโดยกิจกิจอันนี้คือรำพึงถึงอารมณ์นะมนโนทวาราวชนะเรียกว่ารำพึงถึงอารมณ์ทางมนโนทวารส่วนวัฏพนธ์เนี่ยตัดสินอารมณ์ตามปัญจทวารตัวนี้เป็นอนันตระปัจจัยที่สําคัญที่จะให้เกิดกุศลหรืออกุศลในชาวนะในปัญจทวารเนี่ยนะของเรานี้ให้รู้ว่า เรียนแบบธรรมะเรียนแบบประมวลมาแล้วนะเรียนแบบประมวลไม่ใช่เรียนแบบค่อยๆว่าไปตามคําำเฉยๆถ้าว่าตามคำคำเฉยๆสมัยนี้กับสมัยโบราณต่างกันสมัยโบราณไม่มีหนังสือแจกแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่าตามคําเราก็เห็นพยัญชนะอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็จะเรียนแบบประมวลมานะเพราะฉะนั้นก็จะได้ประโยชน์ทั้งคนเก่าและคนใหม่ก็พกื่อคุณเฉลิมควเข้าใจก่อนก่อ ถ้าเข้าใจบ้างก็ใช้ได้แล้วถ้าคุณเฉลิมเข้าใจนะโอ้โหถือว่าใช้ได้แล้วแสดงว่าโนาินี่วิธีนึงวิีนึงก็เกิดสองสองครั้งใช่ไหมหมายว่าผ่านทางปัญจทวารแล้วก็ไปผนไวรีไม่โดยวิธีเนี่ ย, ย, ยจิตจะไม่เกิดพร้อมออวิธีเนี่ยมันจะเกิดคนละวิธีเชอันนี้ปัญจทวารวิธี อันนี้มโนทวารวิถีในอารมณ์เดียวเนี่ยนะคือในสิ่งเดียวอะ่ะสามารถเป็นอารมณ์ทั้งปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีได้เออนะสลับกันไหนะนะมานะมองให้สลับกันกันแล้วกันมโนทวารวิถีแยกได้ไหมย้ายได้เออคือมันไม่เกิดพร้อมกันครับคนล ว, วิถีถามว่าระหว่างปัญจ หรือปัญจะไปหามโนหรือมโนไปหาปัญจะนี้อะไรขั้นไว้พวังขั้นพวังขั้นก่อนในอารมณ์เดียวเนี่ยสมมุติว่ามีรูปารมณ์คือรูปเป็นอารมณ์รูปเป็นอารมณ์นั้นเนี่ยสีอย่างเดียวนะเป็นอารมณ์ของมโนทวาราวชนะก็ได้เป็นอารมณ์ของโวทัพนะก็ได้แต่ว่าในหนึ่งวิถีมโนทวาราวชนะเกิดทั้งสอง ไม่ได้แต่ถ้าในปัญจทวารวิถีเนี่ยอาวัชนะจิตเกิดได้สองอย่างตัวอาวัชนะจิตนะไม่ใช่กิจคือปัญจทวาราวัชนะอย่างหนึ่งมโนทวาราวัชนะอันนี้แต่ว่ามาทําโวทพนากิจ ที น, น, นี้ต่อไปหาศีตุปาท่จิตนี้ของชาวนาจิตเฉพาะของพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านยิ้มไหมยิ้มยิ้มตอนไหนยิ้มตอนที่ท่านเห็นเปรตเนี่ยนะถ้าใครไปเขาขิ้จกูดเนี่ยนะต้องคิดถึงหาศีตุปาท่จิตเอาไว้ให้มากพระโมคคัลลานะกับพระลักขณะลงจากเขาขิ้จกูดเนี่ยนะแล้วก็เดินเดินไปนะพระลักษณะก็เลี้ยวไปเห็นพระโมคคัลลานายิ้มเข้ายิ้มอะไรเดินมาด้วยกันไม่เห็นหน้ายิ้มนะ ก, ก็บอกว่าอย่าถามผมตรงนี้เลยสิ่งที่ผมก็ทยิ้มนะเหตุที่ทําให้ยิ้มนะ่ยอย่าถามตรงนี้ไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าท่านเห็นเปรตเหมือนกันเถะเห็นเปรตโดยกิริยาต่างๆเช่นสังคติไม่บ้างจีวณไม่บัง่งนะตาถลนนอกเบ้าบ้างตัวเป็นคนหัวเป็นหมูนอนบ้างเป็นแพะบ้างเป็นงูเหลือมบ้างโครงกระดูกลอยฟ้าบัาง่งนะมีหัวอยู่ที่ท้องบ้างอย่างเงี้ยนะท่านก็เห็นโดยกิริยาต่างๆ แล้วที่เราเห็นนี้คุณภาพเป็นยังไงตาบอดข้างบ้างแขนขาดบ้างอะไรบ้างนะ น, นั้นไม่ใช่เปรียดนะขอทานนี่นนะที่เห็นนี่ขอทานอยู่ข้างๆ ข, ข, ขึ้นเขาเนะี่ยขึ้นเขาคี้จิกูดเนะี่ยไม่ต้องเห็นมีตาทิพย์หรอกตาเนื้อก็พอเห็นได้นี่นะนั่นแหละขอทานนั่นแหละทีนี้พร ะ, ะโมคคัลลานะเห็นท่านก็ยิ้มอ่ะนะยิ้มท่านก็พระลักษณะก็ถามท่านก็ไม่บอกหรอกท่านบอกว่าไปถามพระพุทธเจ้าเ อ, อไปถามต่อหน้าพระพุทธเจ้า พ อ, พอพระโมคขลานะที่ถูกพระลักษณะถามตอนหน้าพระพุทธเจ้าก็จะเล่าว่าเห็นเปรตโดยประการต่างๆเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่ า, าจะสาวกของเรานี่มีจักษุหนอหวังนั้นเถอะที่จริงแล้วพระองค์ก็เห็นตอนที่พิจารณาจุตูปปาตายานนะในหัวข้อว่ากรรมเป็นปัจจัยจึงมีกรรมมาพบนะพบเป็นปัจจัยจึงมี ชาติอย่างหนึง่งกระบอกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอย่างหนึ่งนะี่พระ อ, องค์ก็เห็นในตอนนั้นคือของเรานะี่ยเวลากรรมเป็นปัจจัยเพราะเป็นปัจจัยแก่ชาติสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเราเห็นตัวหนังสือใช่ไหมของพระพุทธเจ้าเห็นเลยว่ากรรมมันนั้นทําปฏิสนธิตรงนั้นจะเห็นชัดแบบนั้นนะคือนั่งเห็นอะไรใครเกิดถามว่าเหมือนอะไร จูตูปปาตยานของพระพุทธเจ้าเหมือนว่ามีเรือนอยู่สองหลังอย่างนี้มีคนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะใครเดินเข้าเดินออกจากสองหลังเนี่ยจะมองเห็นพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะรู้ว่าสัตว์ที่ทํากรรมจากตรงนี้ไปปฏิสนธิตรงนั้นเนี่ยพระองค์จะเห็นนี่แหละที่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิ ญ, ญญาณหรือพกเป็นปัจจัยแก่ชาติโดยที่มีชีวิตเหล่านั้นนนั้นจริงๆเป็นอารมณ์เลยคือด้วยอํนานาจปัญญาของพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ก็เห็นแต่พระองค์ก็ไม่เล่า ไม่เล่าให้ใครฟังที่ไม่เล่าเพราะว่าถ they they ้าเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะคือคนเนี่ยถ้าไม่เชื่อแล้วนิ่งใช่ไหมไม่เชื่อแล้ว่ะโดยมากจะลบหลู่ไอ้ที่เชื่อไม่เชื่อแล้วไม่ลบหลู่นะหรือไม่เชื่ออย่าดูหมิ่นเนี่ยน้อยเต็มทีไม่เชื่อแล้วสิ่งที่ตามมาคือการดูหมิ่นทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์ปั๊บเขาไม่เชื่อเขาจะดูหมิ่นทีนี้ถ้าดูหมิ่นคนอื่นก็ยังชั่วหน่อยไปหมิ่นพระพุทธเจ้าเข้าเนี่ยโหจะได้ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ไปดูหมิ่นว่าว่าพระพุทธเจ้านี่นะตำหนิพระ อ, องค์ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าถึงส่วนแห่งความไม่รู้หรือท้าด่าคำไหนนะไปสู่พระพุทธเจ้านะั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเองเนี่ยหลายสิบเท่ายกตัวอย่างอันนั้นนะเฉ ด, ดิน อ, อดีตพระชติละเนี่ยนะชะติละเนี่ยเขผมกระเซิงหมดเลยที่ผมกระเซิงเนี่ยแล้วก็เกิดมาทุกชาติแกจะต้องลอยน้ํา ถามว่าทำไมลอยน้ำก็บอกว่าทะเลาะ ก, กับเมียแล้วด่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเออเอ า, าศาสดาของท่านไปลอยน้ำไปเหมือนเผื่อไอ้กรรมมานั้นก็เองพอเกิดมาคลอดมาก็ถูกลอยน้ำอย่างนี้มาเรื่อย